โอ้โหมันมีแต่ว่าใครจะรู้บ้างหรือเปล่าเท่านั้นเนี่ยนะคนนี้ก็ โ, โหนั่งตื่นโพงเลยคนนี้อ่าอันนี้เนี่ยความอายมากกว่านะเราจะแบบว่าโอ้โหถีนามิธานี่หายเลยแต่อย่างพระราชาพระองค์นี้นี่กลัวมากกว่ากลัวมากกว่าที่จะอายถ้ามีอัตามาณะกว่านี้นะมีศักดิ์ศรีนะโอ้โหยกทัพมาถึงหน้าประตูเมืองเขาแล้ว มาล้อมไว้แล้วอะ่ะมันน่าอายขนาดไหนคุณคิดดูยังไม่ทันสู้เลยยังไม่ทันสู้เลยแค่เห็นสุ้มประตูสั่งถอยหนีโอ้โหถ้ามีศักดิ์ศรีหน่อยนะพระราชาพระ อ, องค์เนี่ยบางทียังโอ้โหแพ้ก็แพ้ว่ายังไงก็ยังขอสู้หน่อยใช่ไหมแต่นี่นี่โอ้โหกลัวมากกว่าอายแล้วนะพูดง่ายๆว่าไม่มีศักดิ์ศรี ของความเป็นพระราชาเหลือเลยตอนนี้นะยอมถอยทับกลับดีกว่าดีกว่าที่จะแพ้สู้ไปแล้วแพ้เพราะนั้นนี่แตงบพ ร, ราชาพระองค์นี้นี่ไม่ค่อยมีอัตตามานะนะ <c oughs> หรือเปล่าไม่ค่อยมีอัตตามานะโอถ้าอัตตามานะนี่ไม่ยอมแพ้นะยังไงก็ไม่ยอมแพ้ต่อให้เห็นเห็นยักษ์ก็เหอะ <c oughs> นาะยักษ์ก็ยักษ์สิก็จะสู้เนี่ยตายก็ตายแพ้ก็แพ้คือคือพวกนักรบเนี่ยหรือว่าพวกกษัตริย์นี่จริงๆเนี่ยเขาสู้แล้วแพ้หรือว่าสู้แล้วตายนี่เขายังให้เกียรติใช่ไหมเขายังถือว่าโอ้โหยอดยอดยอดแต่นี่ยังไม่ทันสู้เลยแล้วหนีแม้ถ้าเป็นสำนวนชาวบ้านหน่อยก็เขาเรียกหางจุดก้นหางจุดตูดหนี เปรียบกับอะไรเนี่ยเปรียบสำนวนเนี่ยเขาเปรียบกับอะไรบอกว่าโอ้โหวิ่งหางจุกกลนไปเลยเขาเปรียบกับอะไรเขาเปรียบกับหมา <c oughs> คือหมาเนี่ยไปสังเกตดูนะถ้ามันสู้กันหรือว่ามันกลัวเนี่ยมันไม่กล้าเนี่ยหางมันจะตกนะหางมันจะตกมันแบบว่ามันแล้ววิ่งหนีเนี่ยเขาเรียกหางจุกกลนไปเลยเนี่ยมันเป็นสำนวนที่ปุยง่ายว่าใช้แบบโอ้โหกลัวมากมาก นะก็เข้าไปเปรียบกับหมาซึ่งแบบว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นสัตว์อ่ะเขาไม่เปรียบกับคนแต่จริงๆเนี่ยเขาใช้พูดกับคนแต่เขาไปเปรียบกับสัตว์ต่ําๆเพื่อที่พูดง่ายๆว่าโอ้โหแย่มากๆเขาดูหมิน่นนะเขาดูหมิ่นกันนะอันนี้ก็พูดง่ายพระราชาพระ อ, องค์นี้ก็เลยโอ้โหไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยงงนะกลัวมาก พระศาสดาทรงสแสดงชาดกนี้จบแล้วตรัสว่าพระเจ้าโพลมาทัศในครั้งนั้นได้มาเป็นปรายิปริภาชกในบัดนี้นนส่วนพระราชาเมืองตักกศิลาได้มาเป็นเราตถาคตนี้เองนะผู้เจ้าท่านก็เล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังจนกระทั่งจบเนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อบอกและเป็นเรื่องของบารมีจริง ซึ่จริงๆเนี่ยสู้ไปก็แพ้ถ้าสู้ไปนะสู้ไปก็แพ้เพราะว่าบารมีมันไม่ถึงกันมีสำนวนไทยที่เขาบางทีเขาใช้พูดทํานองเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อะไรนะแข่งรถแข่งเรือแข่งแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาบารมีอะไรพวกนี้บอกว่าแข่งกันไม่ได้ อ่าสำนวนไทยเนี่ยแหละทำนองนี้แหละซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงๆนะที่มันไล่กันไม่ทันหละยิ่งคนที่เขาทำดีบารมีนี่เราใช้ในทางที่ดีนะอคนที่ยิ่งสั่งสมบุญสั่งสนาการกระทำดีเอาไว้เนี่ยมากเข้ามากเข้ามากเข้าคุณตามยังไงก็ตามไม่ทันเพราะว่า ผู้ผู้ที่เขามีบา ร, รมีแล้วเนี่ยเขาสั่งสมมาเขาหยุดเมื่อไหร่อ่ะใช่ไหมเขาไม่หยุดเขาก็ทํากระทาทําทําทําแลแ้วตอนนี้ยิ่งคนที่บา ร, รมีมากแล้วบา ร, รมีสูงแล้วแล้วเขาก็ยังไม่หยุดกระทําเนี่ยคุณดูฐานะสิสมมติพูดง่ายถ้าเปรียบกับข้าราชาการสี่เท่าแหละก็สี่ไล่มาเรื่อยนะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี 1, ส่ 2, ส 3, ส 4, อย่างเงี้ยไล่ขึ้นไปเรื่อยเสร็จแล้วปรากฏว่า 1> c 1หนึ่งก็โอ้โหพยายามเลยนะพยายามกระทำอะไรอะความดีความชอบกระทำอะไรทำงานให้หนักๆให้เยอะๆเสร็จแล้วอันนี้นี่ C หนึ่งอีกคนเขา C ีสอย่างเงี้ยแต่ C ีเขาก็เขาก็พยายามเหมือนกันเขาก็ขยันขันแข็งเขาก็พยายามทำดีเขาก็สั่งสมในขณะที่ c 1หนึ่งเนี่ยสั่งสมบา ร, รมีพูดง่ายถ้าสมมุติว่าความดีตอนนี้นะ เปรียบเหมือนกับอัตราเงินเดือนนะสมมุติสมมุติเงินเดือนของซีหนึ่งเนี่ยคุณทํำยังไงทํำยังไงเนี่ยเงินเดือนมันก็ได้ตามตามระดับของซีหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยู่ในฐานะสมมติเป็นฐานะปุถุชนพยายามทำดีคุณก็ได้ความดีมาในระดับของปุถุชนได้ถ้าขึ้นมาเป็นกรรยาณชน นะคุณทําความดีความดีที่คุณพยายามทําเนี่ยคุณก็ได้ตามฐานะของการระยะาณชนอังกสสะสมเพิ่มขึ้นส่วนใครมาเป็นอริยชนละสมมติเป็นฐานโสดาบันคุณทําความดีเ่ยตอนนี้เงินเดือนที่ได้ก็ได้ระดับโสดาบัน <c oughs> คุณทําดีก็ได้ตามฐานที่ตัวเองเนี่ยตามภูมาทําจริงๆนะตามกําลังขีดของความดีที่คนนั้นทําได้ แล้วการเสียสละเนี่ยบอกคุณได้เลยคุณก็เสียสละได้ตามสิ่งที่คุณมีที่คุณสะสมมาเหมือนกับคุณสะสมเงินมาร้อยหน่างเนี่ยสมมติคุณอยากจะทำบุญต่อให้คุณทำบุญหมดตัวเลยคุณก็ทำได้ร้อยหนึ่งคุณทำบุญหมดตัวคุณก็ทำได้รอยหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งอ่ะเขาสั่งสมบารมีมาเขามีพันหนึ่งแล้วอย่างเงี้ย ถ้าเขาทำบุญหมดตัวเหมือนกันเป็นยังไงเขาก็ทำหมดทั้งพันเหมือนกันเพราะงี้เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยอาตมาพยายามเปรียบเทียบให้คุณเห็นสภาพสภาวะว่าจริงบุญบา ร, รมีของของฐานโสดาบันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่นั้นขณะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับบุญบา ร, รมีของคนที่เป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีที่ถ้าทำดีเพิ่มขึ้นเรื่อยโอ้โหก็ยิ่งเพิ่มวุบวูบวบขึ้นไปเหมือนกัน นะซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โหบางคนเนี่ยอาตมาถึงบอกบ่อยๆบอกสเกอสมอๆอย่าอย่าไปเทียบบารมีคือบางคนเนี่ยยกตัวอย่างมาอยู่วัดไม่นานปฏิบัติธรรมก็ไม่นานนะถือศีลเนี่ยตั้งตะบะทำทำอะไรต่างๆมาเนี่ยก็ไม่นานแต่พอมาเห็นคนอื่นที่เขา อยู่วัดมานานแล้วเขาปฏิบัติมาจนโอ้โหเป็นเป็นหลายๆปีเป็นสิบปีอะไรเงี้ยแต่พอเรามาถึงเนี่ยเราทำได้สักเอาเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนอะไรเงี้ยแต่เราเองเนี่ยเราจะไปเทียบบารมีแล้วคำว่าเทียบบารมีก็คือบางทีแม้เห็นคนนั้นนะดูซิคนเขาศรัทธาอย่างนั้นอย่างนี้เขามีอะไรนะมีเข้าของให้บ้าง นะแต่เราทําไมไม่มีใครให้เลยเรามาดึกอย่างนี้ซึ่งบา ร, รมีมันยังเทียบกันไม่ได้แม้เวลาเราเจ็บเราป่วยดูสีไม่ค่อยมีใครเหลียวแลเลยนะแหมทีคนนั้นโอ้โหป่วยน้อยกว่าเราอีกป่วยนิดป่วยหน่อยปรากฏว่าโอ้โหคนนั้นก็ไปถามคนนั้นก็ไปเยี่ยมเสร็จแล้วก็แหมทั้งอยู่ยาดูสิได้ห้องพิเศษเราต้องไปนั่งนอนห้องอนาถา มันเทียบบารมีไม่ได้วันอย่ามาน้อยใจอย่ามาเสียใจถ้าเข้าใจเรื่องของบุญบารมีแล้วจะไม่มารู้สึกแบบนี้เลยนะเหมือนกันเนะี่ยบางบางทีเราเอามาแซวกันเล่นๆอยู่เรื่อยๆนะอา้าวต่อให้มีอายุมากเสร็จแล้วมาบวชบวชอยู่ในสายอโศกเราเนี่ยแหละเอาได้เป็นสมณนะเอาอายุมากแต่ว่าเพิ่งบวชเนี่ยเอาเป็นนวกะอยู่เนี่ย คือยังบวชไม่ถึงห้าพรรษาเลยนะยังบวชมาได้แคบพรรษา 1, ส, า 2, สาองพรรษาอีกรูปหนึ่งท่านเป็นเถระแล้วอ่ะแม้ท่านอายุน้อยกว่าแต่ท่านบวชเป็นเถระแล้วท่านโอ้ถือศีลปฏิบัติท ร, ร ม, มาตั้งสิบปีขึ้นไปแล้วใช่ไแล้วบวชก่อนท่านก็ได้นั่งหัวแถวบวชที่หลังก็ได้นั่งหางแถวนะทีประเคนประเคนหัวแถวก่อน ดิบะเคนยิบะเคนหัวแถวก่อนดูสิแหมไม่ประเทนหางแถวมามั่งนะไม่ทวนกระแสบังเลยนะเออประเคนประเคนหัวแถวเสียเรื่องไงพอเทศให้ให้หางแถวเทศก่อน <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยโดยโดยโบรารมีโดยอะไรต่างๆบอกให้ถ้าประเคนอาหารเนี่ยนะให้หัวแถวก่อนเนี่ย อันตรายน้อยหน่อยนะความเป็นจริงอะ่ะความเป็นจริงเนี่ยหัวแถวเนี่ยโอ้โหเจอไอ้นั่นเจอไอ้นี่นะไม่มีสมาธิตั้งมัน่นไม่มีจิตที่แข็งแรงพอเนี่ยหยิบหนุกหยิบหนับเสร็จนะบอกให้รู้อนะันตรายนะเนี่ยยิ่งอยู่ที่สันติโุขเนี่ยโอ้โหอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายใช่ั้มแล้วจริงๆริเนี่ยถ้าหัวแถวหยิบหยิบไปมั่งเนี่ย เรามนอยู่อังหางเนี่ยตามมีตามได้เนี่ยเราได้ฝึกดีนะแล้วเราไม่ต้องไปเลือกมากจริงๆคุณไม่ต้องไปเลือกมากนะแล้วคุณได้ฝึกกินตามมีตามได้เนี่ยโอโ้โหมันอาตมาว่ามันได้ลดลกิเลสเราเนี่ยมากกว่าไม่มีไม่ต้องมีอันตรายอันแสบเผ็ดคอยดักรออยู่เบื้องหน้าจริงๆแล้วปลอดภยัยกันเยอะเลย นะเพอะอันตรายถ้าเรื่องอาหารการกินเนี่ยทำให้ศึกเนี่ยเยอะแยะชาดกเนี่ยมีโอ้โหหลายเรื่องมากเลยที่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็มาตรัสแล้วก็มาสอนนะแล้วก็ภิกษุเนี่ยบางทีต้องศึกไปเพราะเรื่องอาหารการกินเนะียเยอะแยะนะอดทนไม่ได้กับเรื่องของอาหารการกินติดเรื่องรสชาติอาหารนะติดไอ้นีน่ จนขนาดพระเข่งเข่งก็เคยเอามาเล่าให้ฟังไปแล้วพระเข่งเข่งขนาดเป็นเถระแล้วด้วยซ้ํำไปนะมีทุโดงขวัตด้วยเอาโอ้โหมีทุ่ดงขวัตนี่คือมีตะบะทำอย่างแก่กล้าต่หลังยังต้องศึกไปเพราะผู้หญิงเขามาทําอาหารอร่อยๆที่ท่านเคยชอบป้อนให้ป้อนให้ป้อนให้ป้อนให้ น, ให น, ใหนะถวายท่านเป็นประจําเป็นประจําจนเสร็จต่หลังยังต้องศึกไปเลย เพราะฉะนั้นน่ะถูกแล้วที่หัวแถวจะงรับอาหารก่อนส่วนเทศคราวนี้ทําไมเทศน่ะทําไมต้องให้ท้ายเทศก่อนถ้าลองให้เถระเทศก่อนน่ะโถคุณมาเทศทีหลังใครก็จะไปฟังใช่ปะเพราะว่าพูดง่ายว่าเอาหัวกะทิมาก่อนแล้วหางกะทิใครเขาจะไปใช้อ่ะไหมยเขาใช้หัวกะทิดีกว่าเพราะฉะนั้นไม่หรอกถ้าแสดงทำเขาก็ต้องเอาหางไปก่อนซิ คุณคุณเทพ อ, อ, อะไรอ่ะไม่ค่อยดีหรือว่าเทศได้บ้างไม่ได้บ้างยังไงก็ตามแต่แต่แหมเดี๋ยวพอเทระหรือว่าผู้ใหญ่มาเทศโหคนเขาก็ใช่ไหมมาฟังมาอะไรกันได้เขาก็จะอยู่กันได้ตลอดอืมดูหนังอ่ะถ้าหนังต้นเรื่องไม่สนุกใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวโหกลางเรื่องท้ายเรื่องสนุกเขาก็อืหคนก็ชอบนะเพราะว่า กลางเรื่องท้ายเรื่องสนุกใช่ไหมจบออกมาคนก็ยังพอใจแต่ถ้าบางทีต้นเรื่องสนุกบา้าบากฏว่ากลางเรื่องท้ายเรื่องโอ้โหจืดลงเรื่อยจืดลงเรื่อยบางทีคนเขาออกจากโกรงก่อนแล้วหนังยังไม่จบเลยเขาออกจากโกรงก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พูดมาให้ถึงเรื่องของบา ร, รมีนะซึ่งเราเราจะเห็นเลยว่าอันเนี้ยเป็นบา ร, รมีของผู้ที่บางทีปฏิบัติมาก่อนบวมมาก่อน ก็จะมีบารมีนั้นฮ้อระวังใครเนี่ยไม่ทันจับอันนี้มักจะมีตัวเนี่ยแหละในหมู่ปฏิบัติธรรมมักจะมีตัวน้อยใจบ้างเสียใจบ้างน้อยใจเสียใจเนี่ ย, ค, ย, ยคือเราเนี่ยจะไปเทียบรุ่นคือเราเนี่ยจะไปหลงตัวหรือเราจะไปลืมตัวที่จะไปเทียบรุ่นไปเทียบรุ่นแล้วเราก็จะคิดว่าทําไมเราไม่ได้อย่างนั้นบ้าง ทำไมเราไม่มีอย่างนั้นบ้างแล้วก็จะมาโหดกูหอเหี่ยวมาน้อยอกน้อยใจพวกนี้นะส่วนอีกอย่างหนึง่งซึ่งมันเป็นเรื่องของบา ร, รมีที่บางครั้งเนี่ยเออมันไม่ใช่แค่ในชาตินี้นะบา ร, รมีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชาตินี้บางทีเขาสะสมเขาทามาตรงโอ้โหไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติพระพุทธเจ้าจะมาบรรลุ เป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าในชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไม่ใช่ท่านทํามาแค่นี้นี่คุณฟังชาดกุลโอ้โหไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่เท่าไรชาติล่ะกว่าท่านจะมาได้เป็นพู้พระเจ้าอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่สะสมกันแค่ชาติเดียวไม่มีใครหรอกสะสมได้ชาติเดียวเพราะนั้นสะสมกันมานาน จนกระทั่งบางทีถึงบอกว่าดูไค้าภายนอกนี่ดูไม่ได้ดูภายนอกไม่ได้มีผู้ที่เป็นภิกษุ อ, อ, อย่างเช่นปัญจวกีทั้งห้าพุทธเจ้าท่านบวชให้ก่อนใช่ไหมห้ารูปห้ารูปนี้พูดง่ายๆว่าโ h บารมีมากนะได้ได้บวชก่อนเลยนะห้ารูปนี้ภาษาลีบุตรพระโมกคาลานานนี่มาทีหลัง แต่ปรากฏว่าภาษาลีบุตรพระโมคขารนะได้เป็นอัคระสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเอ้าทําไมห้ารูปแรกบวชก่อนแล้วทําไมไม่ได้เพราะบารมีที่สั่งสมในเรื่องของความที่จะมาเป็นอัคระสาวกสู้ไม่ได้สู้ภาษาลีบุตรกับสู้พระโมคขารนะไม่ได้พราบารมีเนี่ยมจะแยกไปถ้ายัางเราคงได้ยินบารมีสิบทัศน นะของพอระพุทธเจ้าเนี่ยแยกไปเป็นสิบอย่างนะมีอะไรบ้างอันแรกทานศีลเนคขมมะอ่า น, ะนี่สามตัวแรกนี่เรื่องพวกนี้มันจะแยกแยกแยกแยกแยกแย ก, แยกไปเป็นเรื่องเรื่องเพราะนั้นแม้บางคนเนี่ยที่บอกว่าเป็นเอตะทัคคะคือผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในเรื่องนั้นเรื่องนี้ อ่านะเก่งในด้านนั้นในด้านนี้จน พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยกว่าแหมรูปนี้ไม่มีใครยอดเยี่ยมเท่านะัในในด้านนี้เพราะฉะนั้นบา ร, รมีที่แต่ละคนสร้างเนี่ยมันก็บางเรื่องในด้านนี้เราโอ้โห ถ, ถ, ถนัดเราชํานาญมากคนอื่นอาจจะสู้เราไม่ได้แต่ในด้านอื่นบางทีเอาเราสู้ลุ้มเงินไม่ได้แล้วสู้สู้ลุ้มโน้นไม่ได้แล้วเพราะนั้น บารมีนี่องค์รวมเนะี่ยอย่างหนึง่งในตัวบุคคลจะมีองคงรวมเนี่ยอย่างหนึ่งแล้วหมายถึงว่านับรวมๆอย่างเช่นถ้าใครตรวจศีลอาตมาเคยสมัยก่อนให้สอนให้ตรวจศีลระบบกรรมสามแล้วก็ใช้ตัวเลขเนี่ยถ้าใครเคยใช้แล้วใครเคยไปลองไปลองอะไรอ่ะเออเรียกว่าคํานวณดูออกมาเป็นตัวเลขเนี่ย เหมือนเราเรียนหนังสือแล้วก็สอบเสร็จแล้วเกรดออกมาได้เท่าไหร่อันนั้นนะ่ะพอที่จะมารู้บารมีถ้าบารมีองค์รวมเนี่ยสมมติว่าคุณถือศีลห้านะแล้วคุณไปตรวศีลในระบบกรรมสามข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ขห้าคุณอาจจะได้ไม่เท่ากันในแต่ละข้อแต่พอเอาคะแนนทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันเข้าแล้วก็เอาห้าหารเพราะว่าห้าข้อใช่ไหมศีลเนี่ยห้าข้อ เอาห้าหารเกรดออกมาได้เท่าไหร่นะในหนึ่งสสามสี่เนี่ยเกรดออกมาได้เท่าไหร่ถ้าเกรดออกมาได้เท่านั้นถือว่าได้สามคะแนนรวมของศีลทั้งห้าข้อที่คุณถือเนี่ยคุณได้คะแนนรวมคือสามอันนี้ถือว่าเป็นบารมีแบบองค์รวมว่าคุณได้คะแนนสามแต่จริงๆแล้วคราวนี้ ในศีลทั้งหมดห้าข้อเนี่ยบางข้อคุณอาจจะได้หนึ่งบางข้อคุณอาจจะได้สี่บางข้อคุณอาจจะได้สามอะไรอย่างนี้เพราะะน้นทาแยกแต่ละข้อแล้วจะมีว่าโอ้โหบางทีศีลข้อห้าเนี่ยเราถือได้ดีที่สุดเลยแทบจะไม่ผิดอะไรเลยแต่บางข้อเรายังถือได้ไม่ค่อยดีคราวนี้แหละบารมีในแต่ละข้อไม่เท่ากันอีอันนี้ไม่ใช่องรวมแล้วนะคราวนี้ นี่พยายามจะพูดแยกแยะรายละเอียดให้คุณฟังว่าเนี่ยในในแต่ละข้อเนี่ยศีเราบางข้อเราทําได้ดีบางข้อเราทําได้ไม่ดีแต่ในข้อที่ทําได้ดีที่สุดนั่นแหละก็ถือว่าข้อนั้นน่ะคุณมีบา ร, รมีสูงที่สุดในศีลห้านั้นอันนั้นคุณดีที่สุดคุณชํานาญที่สุดส่วนข้อไหนยังไม่ดีเราก็ให้รู้ว่าโอ้โหอันนี้เรายังบา ร, รมีอ่อนมากเลย บารมียังไม่แก่กล้านะสู้ศี่ข้ออื่นไม่ได้เลยต้องรู้แล้วว่าศี่งข้อนั้นเรายิ่งต้องสร้างบารมีให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นเพราะบารมีในข้อนั้นเราอ่อนเกินไปเนี่ยถ้าถ้าใครเคยใช้อันนี้มาเนี่ยจะตรวจรู้ของตัวเองรู้รายละเอียดของตัวเองนะซึ่งบางคนเนี่ยถ้าอาตมาไม่พูดไม่ไม่บอกตรงนี้ให้เนี่ย ก็จะยังไม่รู้เข้าใจหรอกเขาก็เคยแต่ว่าไปตรวจให้คะแนนให้ตัวเลขมาแต่เขาก็ไม่รู้องค์รวมของตัวเองเราก็ไม่ไอแต่ละข้ออาจจะเห็นได้เพราะว่ามันมันเห็นอยู่แล้วแต่องค์รวมเนี่ยไม่เคยเอาไปรวมดูว่าโดยรวมนี่เราได้อะเท่าไหร่ตัวรวมนี่จะเป็นตัวบอกฐานว่าเราอยู่ในฐานไหนอย่างเช่นฐานโสดาฐานสกิทาฐานอนาคาหรือฐานอารหรัน ในศีลห้าในโสดาบันเนี่ยนะคุณจะไม่รู้ว่าคุณอยู่ในฐานไหนโดยองค์รวมนะเพราะฉนั้นถ้าอย่างลูกี้เนี่ยบอกว่าโอ้โหปรากฏว่าคุณตรวจคะแนนมาแล้วในศีลห้าของคุณนี่ตรวจนี่ต้องซื่อสัตย์นะจะต้องไม่ผิดพลาดนะปรากฏว่าองค์รวมออกมาได้เกรดสามคะแนนเงนี้ยเกรดสามนี่ถือว่าได้อะไรฮะได้ อนาคามีในโสดาบันในอนาคามีในโสดาบันถ้าแบ่งเกรดตามที่ที่อาตมาเคยเคยเท่ๆได้ฟังเคยบอกบอกให้บางคนฟังไปเนี่ยคุณพอจะตรวจตัวเองได้ปะ อ, อ๋อตอนนี้ในฐานของศีลห้าเนี่ยลำลองลาลองยอย่างน้อยๆ อ, อ, องค์รวมของเราเราได้ฐานนี้ได้ฐานนี้ได้ฐานนี้ถ้าตรวจออกมาแล้วปรากฏว่าศีลทั้งหมดเลยนะ คุณตัวออกมาแล้วได้คะแนนออกมารวมหนึ่งปรากฏว่าตอนนี้ฐานของคุณกำลังได้โสดาบันในโซดาบันพูดง่ายๆว่าคุณได้เกรดคะแนนของตัวเองในความเป็นโสดาบันเนี่ยนะได้ประมาณสัก20สกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคืออ่อนมากเลยเป็นเบื้องต้นของโสดาบันเลยคือพูดง่ายๆว่ายังถือศีลห้าเนี่ย ได้แบบอ่อนๆยังไม่สามารถจะถือศีลห้าได้ได้ดีนะยังได้ไม่เกินครึ่งเลยนะได้ประมาณสักยเท่านั้นเองนะอันนี้เป็นเรื่องของบารมีซึ่งวันนี้ตะมาฝากนะแง่คิดในเรื่องของบารมีธรรมะนะบารมีธรรมให้กับพวกเราเพื่อที่ให้พวกเราเนี่ยลองไปตรวจสอบไปดูตัวเอง หลายคนที่บางทีเนี่ยอยากเป็นอย่างงน้นอยากเป็นอย่างนี้ผู้หญิงบางคนชอบพูดว่าชาติหน้าอยากเกิดเป็นผู้ชายก็ไปดูบา ร, รมีถึงก็บาละ่ะมันนบา ร, รมีถึงด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะได้เป็นผู้ชายนะไหมคุณอยากคุณนึกอยากอยากอยากเหมือนเราพูดกันอะตอนเนี้ยสำนวนตอนเนี้ยนันบอกว่าคิดให้ผักมันงาม อันนี้คิดอยากเป็นผู้ชายคิดอยากเป็นผู้ชายแต่บรารมีที่คุณประพฤติที่คุณปฏิบัติที่คุณสั่งส ม, ม่ะคุณสั่งสมปุริสสภาวะเนี่ยสภาวะที่จะเป็นบุรุษอะคุณสั่งสมมามากพอหรือเปล่าล่ะนะจนกระทั่งจิตวิญญาณคุณเนี่ยมีอะไรอะ่ะมีเชื่อของความเป็นบุรุษเนี่ยนะมากพอที่จะทําให้วิญญาณคุณเนี่ย เป็นบุรุษได้ไหมถ้าคุณไปเกิดมันถึงจะเพราะว่าถ้าวิญญาณคุณเป็นปุริสภาวะมากพอคุณไปเกิดเนี่ยคุณก็ต้องได้ร่างที่เป็นปุริสภาว ะ, ะแต่ถ้าจิตวิญญาณคุณสั่งสมความเป็นอิทธีภาวะไวะ้คุณอยากจะเกิดเป็นผู้ชายอยากจะเกิดเป็นผู้ชายแต่จิตวิญญาณมันเป็นอิทธีภาวะเพราะนั้นมันไปเกิดมันก็ม่เกิดเป็นผู้หญิงนั่นเอจะไปเกิดเป็นผู้ชายยังไง หรืไปเข้าล่างผู้ชายคุณก็เกิดมาเป็นกระเทยเพราะฉะนั้นแล้ว ม, มันก็ต้องไปตามจิตวิญญาณไปตามบรารมีที่เราสั่งสมมาบางคนเนี่ยก็อยากเกิดมาอะไรนะมีพ่อแม่ที่มีศีลอยากเกิดมาอะไรอยู่กับพี่น้องอย่างนั้นอย่างนี้เอเอาบางคนอยากจะบอกว่าอยากจะตามพ่อท่านนะพ่อท่านเกิดชาติไหนหรือว่าอะไรเงี้ย แต่ถ้าคุณไม่สั่งสมบา ร, รมีที่ที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นไปตามแนวทางที่พ่อท่านสอนเอาไว้พ่อท่านพาธรรมมาไว้เนี่ยนะคุณไปทางไหนคุณก็ไม่รู้แต่คุณบอกว่าเอออยากอยากจะตามพ่อท่านให้เจอแต่พ่อท่านไปทางเหนือคุณไปทางใต้แล้วจะเจอกันได้ยังไงมันไม่มีทางเจอเพราะฉะนั้นน่ะบา ร, รมีอันเนี้ยเป็นเรื่องที่มันต้องไปแบบศีลสามั ญ, ญาตา ทิฏฐิสามั ญ, ญาตามันถึงจะเอกีภาวะมันถึงจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ถ้าศีลคุณไม่สามมั ญ, ญาตาทิฏฐิคุณไม่สามมั ญ, ญาตามันไปกันไม่ได้หรอกทิฏฐิก็คนละเรื่องมาเลยจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็คนละอย่างเอ่อเผลอๆตรงข้างข้ามอย่างเงี้ยอา้าวแล้วศีลอีกอะศีลปฏิบัติอา้าว ทางอโศกปฏิบัติอย่างนี้่งนี้แต่คุณปฏิบัติอีกอย่างนึง่งเอาล้วมันจะไปกันได้ยังไงมันไปกันไม่ได้เพราะเรื่องของบารมีธรรมเนี่ยลองไปตรวจสอบไปดูตัวเองนะตรวจสอบดูโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องศีลเรื่องตบะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเราว่าเราถือศีลเราปฏิบัติธรรมนะเราอุตส่ามาวัดอุตส่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย นะบารมีเรานี่เพิ่มขึ้นไหมหรือว่าทุกวันนี้เราหยุดอยู่แต่ก่อนนั้นจำได้อดีตอาจารย์ยันตระเคยใช้คำว่าอะไรมารบอมีบารมีบ่อกเกิดใช่ไหม ถ, ถ้าจำไม่ผิดนะเออซึ่งคำพูดนี้ก็ดีนะอาตมารู้สึกว่าเออดีนะเพราะฉะนั้นมานี่ไม่ใช่ใครหรอก มานี่คือกิเลสเราเองนี่แหละที่ชอบมาย้อนๆนนะ่ะเอาไว้ก่อนนะเออย่าพึ่งเลยมันลำบากนะอย่างนั้นนะ่ะนะเ ด, เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้นะเดี๋ยวเกิดเจ็บป่วยได้ไข่เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวไม่มีเงินใช้นะเพราะฉะนั้นเก็บไว้ให้มากๆก่อน <c oughs> นะแทนที่จะกล้าเสียสละบ้างกล้าเอาออกบ้างมันจะไม่กลา้าเพราะฉะนั้นดูเอาว่ามันมันมีมานตัวไหนบ้าง ที่มันทำให้บารมีของเราก็ไม่เกิดทุกทีเพราะมันเจอมารเนี่ยดึงไปหมดเพราะนบารมีมันก็เลยสร้างไม่ขึ้นนะเพราะนั้นคุณจะสร้างบารมีเพิ่มขึ้นได้คุณต้องไล่มารทิ้งให้ได้นะถ้าคุณไล่มารไปไม่ได้บารมีคุณไม่เกิดจริงๆนะอ่ะก็หวังว่าลองไปสำรวจดูก็แล้วกันอาวันนี้คงฝากไว้เท่านี้